ตอนที่สี่เจ้าทําอะไรลงไปมาแล้วแล้วคุณหนูมีคนมาสู่ขอแล้วเจ้าค่ะเย่เยาดีใจจนรีบลุกพรืดขึ้นทันทีแต่กลับถูกไปลูกกดตัวไว้นายท่านกับคุณชายกลับมาแล้วคุณหนูไปตอนนี้ไม่เหมาะนะเจ้าคะท่านพ่อกับท่านพี่กลับมาแล้วหรือเย่เยาขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเมื่อวานกว่าจะกลับก็ดึกดื่นแต่วันนี้เหตุใดจึงกลับมาเร็วเช่นนี้นางรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีจึงตัดสินใจเดินออกไปดู จากระยะไกลานางเห็นหีของมัน่นผูกโบสีแดงมงคลวางกองเต็มลานบ้านทั้งยังมีทหารองครักษยืนเฝ้าเป็นแถวเรียงรายเย่ยยรู้สึกตกใจยิ่งนักนางรู้ว่าตระกูลฉู่มั่งคั่งแต่ไม่คิดว่าชู่ชื้อจะยอมทุ่มเทเพื่อนางถึงเพียงนี้ในเวลาอันสั้นเช่นนี้เขาเตรียมการทั้งหมดนี้ได้อย่างไรและทหารองครักษพวกนี้มาได้อย่างไรกันเยี่ยยผ่อนฝีเท้าเดินเข้าไปใกล้ถงหน้าเจนเจียและไปลลู่ต่างพากันใจหายใจคว่ำ ทันทีที่ถึงประตูเยี่ยยาวก็ได้ยินเสียงที่นางไม่อยากได้ยินที่สุดแม่ทัพทั้งสองมิต้องเกรงใจตั้งแต่วันนี้ไปทั้งสองตระกูลก็คือโด่งกันแล้วเป็นหลินเซินเยี่ยยายืนตัวแข็งทื่ออยู่กับที่ครู่หนึ่งนางนึกว่าตนเองหูฝาดไปทว่าทันทีที่เยี่ยวหูเสียผู้เป็นบิดาเอ่อยปากนางก็จำต้องยอมรับความจริงของมั่นของซื่อจือ่อช่างล้ำค่ายิ่งนักทั้งที่คนที่ควรมาสู่ขอคือชูชื้เหตุใดจึงกลายเป็นหลินเซินไปได้ เย่ยไม่สนมารายาทธรรมเนียมใดๆอีกต่อไปนางพุ่งพรุดเข้าไปทันทีเดี๋ยวก่อนใจกลางถงใหญ่บุรุษร่างสูงสง่าในชุดจินเผ่าหรูหราปักดิ้งเงินลายเมฆาหันกลับมาพอดีใบหน้าคมคายที่ดูเย็นชาและห่างเหินเช่นนั้นหากไม่ใช่หลิงเซินแล้วจะเป็นใครไปได้สมองของเย่ยราวกับถูกเข็มทิ่มแทงอย่างแรงจนเจ็บแปลกสำหรับนางเมื่อหนึ่งวันก่อ น, อนเขาเพิ่งจะใจดําอมหิดพระชีวิตนางและลูกในคันไป พอได้มาเห็นหน้ากันอีกครั้งในตอนนี้ความรู้สึกในใจจึงยากจะบรรยายได้หมดสิ้นดวงตาที่เคยดุดันและเย็นชาคู่นั้นยังคงระเยื่อใยา ย, ายามที่จ้องมองนางในตอนนี้กลับมีความรู้สึกเยื่อแยนแฝงอยู่สองส่วนริมฝีปากบางเฉียบสีแดงสดราวดอกเมเปิลเอ่ยคําพูดที่ไร้น้ําใจออกมาเช่นเคยสตรีผู้สูงศักดิ์อันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงไร้มารยาทเช่นนี้เชียวหรือยี่เยาจิกเล็บลงในฝ่ามือเพื่อสะกดกลั้นความปรารถนาที่จะพุ่งเข้าไปชกหน้าเขา ท่านพ่อและท่านที่อยู่ที่นี่นางจะทำให้พวกเขาต้องเป็นห่วงไม่ได้นางพยายามข่มโทระไว้แต่กลับต้องได้ยินคำถักทางที่ทิมแทงใจจากลินเซินอีไม่เป็นไรหลังจากแต่งเข้าจวนอองแล้วที่จวนย่อมมีมาม่าผู้สอนกฎ ร, กระเบียบหนทางยิงอีกยาวไกลค่อยๆเรียนรู้ไปยี่เย่ากโกรธจนตัวสันดวงตาคู่สวยเบิดกว้างจนแทบผลนกัดฟันแน่นจนแทบแหลกคามือนางยังไม่ได้ไปยั่วโมโหเขาเลยสักนิด หากนางไม่ได้เกิดใหม่นี่ควรจะเป็นการพบกันครั้งแรกของพวกเขาและเหตุใดเขาถึงต้องพูดจาถักถางนางขนาดนี้เย่หูเสียและบุตรชายขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจปกติแล้วพวกเขาไม่เคยแม้แต่จะพูดจารุนแรงกับเย่ยันเลยสักคำแต่ถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นถึงซื่อจืดจึงจำต้องให้เกียรติเยาเยาเจ้าถอยไปก่อนมีเรื่องอะไรพ่อค่อยไปหาเจ้าที่เรือนแล้วคุยกันทีหลังไม่เจ้าคะ่ะเย่เยาถลึงตาใส่หลินเซินก่อนจะเดินไปหาบิดา ท่านพ่อซื่อจือมาสู่ขอเยาเยาให้เยาเ ย, ยาคุยกับซื่อจือเองเถอะเจ้าคะปกติเย่เยาเป็นเด็กว่าง่ายไม่เคยขัดคําสั่งผู้ใหญ่แม้แต่ครึ่งคําสองพ่อลูกจึงพากันต ก, ตกตะลึงไปชั่วขณะมุมปากของหลิงเซินยกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ดูเจ้าเล่เยาเยากล่าวได้ถูกต้องหัวใจของเย่เยๆกระตุกกรูดด้วยความเจ็บปวดชาติก่อนเขาไม่เคยเรียกนางเช่นนี้เลยนางสะกดกลั้นความโกรธในใจแล้วผายมือเปลี่ยนสถานที่คุยกันเถอะเชิญซื่อจือเจ้าคะ่ะ หลินเซินไม่ปฏิเสธเขาก้าวเดินตามไปทันทีเยีย่หัวรีบร้องเรียกพวกเขาไว้เหยาเหยาเขาเดินเข้าไปดึงเย่เหยอกลับมาหาเยี่ยหูเสียแล้วกระสิบประซาบกันสามคนพ่อลูกน้องพี่เจ้าเป็นสตรีจะไปอยู่กับบุรุษอื่นตามลำพังได้อย่างไรอย่างไรพวกท่านก็จะให้ข้าแต่งกับเขาอยู่แล้วยังต้องกังวลเรื่องพวกนี้อีกหรือเจ้าคะเยีย่หัวถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออกเ ย, ย่หูเสียถามด้วยความอดทนแล้วเจ้าคิดจะทำอะไร เมื่อได้ยินดังนั้นเยเยาเหลือบมองพวกเขาทีละคนแล้วกล่าวอย่างเด็ดขาดข้าไม่อยากแต่งแต่นี่เป็นสมรสพระราชทานจากฝาบาตเยเยาสูดลมหายใจเข้าลึกด้วยความหนาวเหน็บสมรสพระราชทานจากฝาบาตเหตุใดถึงรวดเร็วปานี้ราชาองค์การควรจะถูกส่งมาในวันพรุ่งนี้สิมิเช่นนั้นเปิดซื่อจิตจะขนของมั่นมาสู่ขอถึงหน้าประตูได้อย่างไร น้ำเสียงที่เจือไปด้วยความรู้สึกสะใจบนความทุกข์ของผู้อื่นดังมาจากทางด้านหลังของหลิงเซินเย่ยเยาหันขวบกลับไปมองด้วยความโกรธแค้นพร้อมกับถลึงตาใสเขาอย่างแรงอีกครั้งเจ้าหุบปากหลิงเซินนี่หรือคือสตรีผู้สูงศักอันดับหนึ่งในเมืองหลวงที่เขาต้องแต่งงานด้วยเย่ยหูเสียและบุตรชายนี่ใช่เยาวยที่ปกติจะอ่อนหวานแล้วว่านอนสอนง่ายของพวกเขาจริงหรือเย่เยาหันกลับไปถามบิดาและพี่ชาย ฝาบาทมีราชองค์การพระราชาทานสมรสลงมาจริงๆหรือราชองค์การอยู่ที่ใดอยู่ที่เปิลซื้อจีอนี่ซิ่งคำเย่ ย, ยาวก็พุ่งเข้าไปแย่งมันมาทันทีหลิงเซิรนชะนักไปเล็กน้อยเยเด็กคนนี้อารมณ์ร้ายเสียจริงเขาไม่เคยไปล่วงเกินนางเสียหน่อยไม่ใช่หรือเมื่อคลี่ออกดูและเห็นตราประทับยกมังกรด้านบนใบหน้าเล็กๆของเย่ ย, ยาก็ซี่เผือดลงทันทีเป็นไปไม่ได้ราชองค์การควรจะลงมาพรุ่งนี้เหตุใดถึง ลินเซินประหลาดใจอีกครั้งจึงย้อนถามว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าราชาองการจะลงมาพรุ่งนี้ได้ยินดังนั้นเย่เยาก็เงยหน้าขึ้นถลึงตาโตหมายความเมื่ออย่างไรลินเซิร์นกอดอกเติมที่ฝ่าบาททรงตั้งพระไทยจะออกราชองการพระราชท า, านสมรสในวันพรุ่งนี้จริงๆแล้วเหตุใดเมื่อคืนเปิดซื่อจือเขาวังไปกลางดึกเย่เยาตกตะลึงอย่างถึงที่สุดเจ้าทาอะไรลงไปลินเซินกล่าวอย่างเรียบเฉย ในเมื่อราชองค์การถูกร่างไว้แล้วคําสั่งของเหนือหัมิอาจขัดขืนจะเร็วไปวันหนึ่งหรือช้าไปวันหนึ่งก็ไม่ต่างกันยาวๆเจ้าว่าจริงไหมต่างกันมหาศ า, ศาลเลยล่ะด้วยความโกรธเย่ยาวจึงคว้างราชองค์การใส่หน้าเขาเต็มแรงข้ามีคนที่ชอบอยู่แล้วและซื่อจือเองก็มีคนในใจเหตุใดต้องทําร้ายกันเช่นนี้เหตุใดซื่อจือถึงรู้ว่าฝา่าบาทจะพระราชทานสมรสนอกจากจะไม่ปฏิเสธแล้วยังตามน้ําไปอีก ข้าไม่เคยล่วงเกินซื่อจื่อเลยใช่ไหมเหตุใดเจ้าต้องทําร้ายข้าเช่นนี้ด้วยความตื่นตระหนกและเสียใจหยาดน้ําตาของเยี่ยเยาก็ร่วงผอออกมาจากดวงตาพายในแววตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและชิงชังลินเซิลมองเห็นทุกอย่างชัดเจนหัวใจของเขาพลันสั่นไหวเล็กน้อยยามที่นางโกรธหางตาของนางจะย้อมไปด้วยสีแดงระเรื่อดุดงดงามและเย้ยยวนไปอีกแบบเหยาเถาหนงหลี่นางช่างมีชื่อที่ไม่ผิดไปจากตัวจริงเลยจริงๆ เย่ยวหูเสียแลบุตรชายมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงเยี่ยวเยีวที่เชื่อฟังแล้วว่าง่ายของพวกเขาถึงกับกล้าตะโกนใส่หน้าซื่อจืออ๋องซีนทั้งยังคว้างราชองค์การใส่หน้าเขาอีกด้วยเดิมทีทั้งสองตระกูลก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันในราชสำนักอยู่แล้วหากเยี่ยวเยียวไปล่วงเกินหลินเซินเข้าอีกเรงว่าคงไม่พ้นถูกฝาบาทลงทันเยี่หัวรีบก้าวเข้าไปดึงเยี่ยวเยาวมาไว้ข้างหลังน้องสาวข้าไม่รู้ความหวังว่าซื่อจือจะใจกว้างดั่งขุนเขาไม่ถือสาหาความกับนางที่ใหญ่ท่านไม่จําเเป็นต้อองขขโทษา ชาติก่อนเป็นเขาไม่ใช่หรือที่ป้ายสีว่าตระกูลเย่สมคบคิดกับศัตรูทรยศต่อแผ่นดินจนทําให้ครอบครัวของพวกเขาต้องพินาศเย่ยับทั้งที่หลิงเซินคือผู้กระทําผิดเหตุใดตระกูลเย่ต้องไปขอโทษเขาด้วยเย่เยาโกรธจนแทบพลั้งการกลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้แผนการทั้งหมดของนางกลับถูกเขาทําลายจนเย่ยับความแค้นใหม่และความแค้นเก่าสุมรวมกันทําให้นางไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อีกต่อไปนางเกลียดเขาจะให้ข้าแต่งกับคนเห็นแก่ตัวที่เลือดเย็นและไรหัวใจอย่างเจ้าหน้าหรือ ฟันไปเถอะข้าไม่แต่งเย่ยาวิ่งไปที่หน้าประตูจวนชี้ไปยังของม่นที่วางเต็มลานบ้านเอาของของเจ้าไปแล้วใส่หัวออกไปจากจวนสกุลเย่เสียบรรยากาศพลันแข็งค้างไปในทันทีภายในลานบ้านหนานเฟิงและชังจะวินรวมถึงองครักษ์อีกสองแถวรีบวางมือลงบนด้ามกระบี่ทันทีเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เย่หูเสียสุดลมหายใจเข้าลึกจนไม่กล้าผ่อนออกมา แม้แต่ในราชสำนักพวกเขาพ่อลูกยังไม่กล้าทั้งคว่างของและตะโกนใส่ซื้อจือ่อองสิ้นเช่นนี้นประสาอะไรกับการเล่ตเพิดออกนอกบ้าน